ไปนั่งปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจป น, นั่งฟังทำไปด้วยก็ได้นะเราก็ได้มาพักที่ที่วัดปาเนะบ้านฟูจิตมบลไรว่าสัคับุรีเราเข้ามาเราก็เห็นความสะอาดเนาะเป็นสิ่งแรกเลย ว่าเราเข้ามาในสายวัดศาสิ่งที่ที่ชัดเจนนะคือเรื่องข้อวัดในการทำความสะอาดเสนาสนะสาราปุติหรือแม้แต่แล้วก็ที่สำคัญก็คือด้านวัดรวมทั้งการสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ ที่ที่ฉัน น, ะ น, ะน้ำปลาณห้องน้ำนที่ล้างจานล้างบาตรอะไรต่งตางๆก็ห้องครัวอะไรต่งตางๆก็จะเรียบร้อยอันนี้คือข้อวัดนะข้อวัดซึ่งเราสังเกต น, นะเวลาแม้บางทีอย่างท่านอยู่แค่รูปเดียวนะแต่เรื่องการทำข้อวัดของท่านก็ ก็ทําแบบไม่ขาดตกบกพร่องเนาะก็ทําให้เศนาชนะต่างๆก็ยังสะอาดเรียบร้อยอยู่แต่บางทีวัดบ้านหลายหลายวัดนะมีพระมีเนนอยู่กันหลายหลายรูปเนะแต่บริเวณลานวัดหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ไม่เรียบร้อยหรือว่าสกปรกลบรุงรังจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับจานวนคนที่อยู่ แต่อยู่ที่ว่าคุณภาพของคนที่อยู่นะคุณภาพของคนที่อยู่ถ้าแม้มีน้อยนะแต่ถ้าช่วยกันนะทํากิจวัตรนะก็ทําให้วัดนะก็ได้สมชื่อกับคําว่าเป็นอารามนะอารามคือสงบนะแล้วก็สะอาดล่มเย็นเนะนะวัดก็เลยกลายเป็นที่ที่ เกิดความสงบเกิดความสะอาดเกิดความร่มเย็นภายนอกซึ่งพอเราเห็นความสงบสะอาดร่มเย็นภายนอกมันก็น้อมให้คนที่เข้ามาสู่วัดก็เกิดความรู้สึกมีความปิติมีความสุขมีความพอใจนมีความสบายใจนเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจขึ้นคือเป็นการการที่ เพียงแค่เรารักษาข้อวัดของเราเนี่ยมันก็ช่วยให้คนที่เข้ามานี่ก็ก็เกิดความได้ได้เรียนรู้ธรรมะหรือได้ธรรมะไปในตัวเราเองเรามาเราเป็นอาคาโต ก, กะเนาะเราก็เนี่ยเราเห็นข้อดีๆีเนีอย่างเช่นในฝ่ายวัดป่าที่ท่านมีความสะอาดมีความเรียบร้อยต่างๆเราก็เอาไปประพฤติเนาะ วัดของเราที่อยู่ที่อาศัยของเรามันมันเป็นกิจที่ที่ก็ดีมากนะพอทำเป็นประจำเนะ่มันก็ทำให้กลายเป็นนิสัยนะไม่แน่อาจจะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่คาดการเองว่าพอเราเข้ามาสู่หมู่บ้านเราเห็นบ้านเรือนชาวบ้านนะที่นี่เนาะ <c oughs> ก็ค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยมากเนะ่ เป็นบ้านเรือนชาวกระเร่ยงที่ที่มีร้านบ้านหรือว่าการประดับตกแต่งมีรั้วมีนั่นมีนี่เรียบร้อยนะมากกว่าที่อื่นนะ ช, ชัดเจนก็ไม่แน่ใจนนิสัิทานเอาว่าอาจจะเกิดเพราะได้อิทธิพลจากวัดนะเราอาจจะเห็นตัวอย่างจากวัดหรือพูะอาจารย์พยายามที่จะสอนให้นะชาวชาวบ้านที่นี่นะในรู้จัก เรื่องความสะอาดความเรียบร้อยนะเอาไปใช้ที่บ้านต่ออันนี้ก็คาดเองว่าอาจน่าจะเป็นอิทธิพลจากวัดนะที่ส่งไปสู่ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนอันนี้มันก็มันก็เห็นเลยว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระนที่ตั้งใจรักษาข้อวัดก็ทำให้ส่งผลต่อ ญาติโยมนะเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อไดนะ้ข้อวัดก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นเนี่ยที่ว่าเรื่องการทำความสะอาดสิ่งต่างๆเศนาชนะต่างๆนะมันก็เป็นข้อวัดอย่างหนึ่งนะหรือแม้แต่พวกเราเองบางทีถ้าเรากลับไปที่วัดนอะหรือบางทีเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็ควรที่จะ ฝึกท่องให้มันได้เลยนะบทธรรมวัดเช้าบทธรรมวัดเย็นเนะี่ยบทพิเศษที่มันที่ใช้บ่อยๆเนาะบทพิเศษที่ใช้บ่อยๆนะั้นท่องให้มันได้นาะตอนผมบวชใหม่ๆเนะผมก็ไม่คือว่างๆก็ไม่มีอะไรทนะําเนาะเวลาเราทําวันไ ม, ม่อะไรทํราแล้วก็เอาเนี่ยแหละหนังสือสวดมนต์เนี่ยมาท่องมาท่อง บทธรรมวัดเช้าบทธรรมวัดเย็นบ้างบทพิเศษที่สวดไปบ่อยตั้งแต่เขมาเขมะถึงบทพิจารณาสังขารบทวดน้ำตอนเช้าบทน้ำตอนเย็นอนะไรนันที่เราใช้ไปบ่อยผมก็ท่องประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็จำได้หมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องเปิดหนังสือดูก็ บางทีอาจจะไม่คล้องแต่พอเราคล อ, อ, อไปเรื่อยๆนะมันก็จะคล่องปากไปเองนะ ม, มันก็ทาให้เออมันก็ติดนะมันก็ติดไปเลยแต่บางทีสังเกต บ, บางทีพระสามสี่พันษา 3, 4, 3. บางทียังเปิดหนังสือดูธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเปิดหนังสือดูบทพิเศษที่แบบส่วนไปบ่อยอยู่ก็แสดงว่าเออเขาไม่ได้เคยท่องเลยเนาะแต่ถ้าท่องนะ มันก็ไม่นานหรอกที่เราจะทำได้นะบทพิจารณาอาหารบทให้พรนะหลายๆแบบหรือบทปงปงอาบัติอนะไรเนี่ยที่ใช้เป็นประจำนะบางคนก็ยังเปิดหนังสืออ่านยังจำไม่ได้ไอ้คนนี้ก็เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งนะความเป็นความเป็นพระนะ ก็อาศัยกิจวัตพรพวกนี้ยที่เราทําเป็นประจำนะํำเราก็ฝึกฝนะตั้งแต่ช่วงนวกะเนี่ยสําคัญที่สุดเลยถ้าเราฝึกฝนตนตั้งแต่ช่วงเป็นนวกะเนี่ยเป็นพระมัชชิมะเป็นพระเทระต่อไปมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนเป็นพระรุ่นใหม่ได้หรือว่าเป็นญายโยมที่มาได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนแรกมันจะเหมือน รักไม่ค่อยดีนะพอโตขึ้นไปมันก็เหมือนคดๆงอๆบางอนะทีสวดมนต์ไม่ได้ก็ไม่กล้านำสวดมนต์ไม่กล้านั่นนี่อะไรต่างๆหรือกิจวัตรไม่แม่นนะบางทีก็บอกสอนคนอื่นก็ก็ไม่คล่องตัวเพราะตัวเองก็ทําไม่ค่อยถูกหรืออะไรๆอย่างเนะี่ยบางทีอะไรที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่เราต้องทำํำบนะ่อยๆเนี่ยผมว่าเราฝึกทําเลย ฝึกทำเช่นปองผมฝึกปองเองเลยนนะฝึกปงผมเองนะอแรกแรกมันอาจจะแรกแรกมันอาจจะแบบคล้ายๆบาดศีรษะเยอะหน่อยนะแต่พอตอนดังมันก็ค่อยๆลดจำนวนแผลน้อยลงเลยมนนะนะถ้าเราตั้งใจอยากจะอยู่เป็นพระไปเรื่อยๆคมว่ากิดพวกนี้ก็เป็นกิดที่ ที่เราต้องฝึกนะฝึกตัวเองเบ่อยๆอาจจะไม่ชำนาญในในตอนแรกนะแต่มันจะเป็นความคล่องตัวขึ้นนะแล้วก็ชำนาญมากขึ้นบางทีเราไปสังเกตดูพระใหม่พระเก่าแล้วก็ดูดูการทากิจต่างๆแบบนี้แหละท่านทำได้ถูกทำได้คล่องหรือไม่นะเราก็จะเห็นเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูยากบางที ในสายวัดถ้าสายวัดป่าเขาก็ค่อนข้างจะฝึกดีก็จะทำให้แบบบางทีแม้แต่พระใบใหม่อเองก็ก็ทำกิจต่างๆได้คล่องครับแต่บางทีสายอื่นๆบางทีแม่บวชหลายครรษานะแต่ก็ทำอะไรกๆเกินๆอยู่ก็เยอะๆอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพระนะ พี่จริงโยมเองก็เหมือนกันนะโยมบางทีโยมอยู่วัดนานนะแต่บางทีก็ทําตัวแบบตามความสะดวกสบายเหมือนเราอยู่บ้านเองก็ก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้เหมือนกันนะวันนี้สําหรับบางคนนะที่พูดบางทีเราก็ต้องดูนะดูเออจะจะพูดกับพระทําอย่างไรนะ บางคนก็ยืนคำหัวพระพูดอะไรนะอันนี้พูดถึงทั่วไปนะอืมคือกิริยามารายาทก็ไม่ได้ศึกษาว่าเวลาเราปฏิบัติเวลาเราอยู่ที่วัดปฏิบัติต่อพระต้องทําแบบไหนอะไรแบบนะี้คือบางทีเราก็อาจจะเป็นความความเคยชินนะแต่สมัยนี้มันมีอะไรมากกว่าความเคยชินนะบางทีมันมี จะเรียกว่าเป็นทิฏฐิเนาะเป็นทิฏฐิเป็นความคิดความเห็นความเชื่ออะไรหลายอย่างซึ่งบางทีมันก็ทําให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติตามเนะี่ยสิ่งที่โบราณเขาพาปฏิบัติกันนะบางทีเราจะเอาความคิดแบบแนวสมัยใหม่บ้างแนวเสรีนิยมบ้างแนวทิฏฐิ อะไรต่างๆบ้างสิทธิเสรีบ้างสิทธิอะไรต่างๆบ้างซึ่งทางโลกบางทีมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่บางทีเราก็เอามาใช้หลายอย่างมีการตั้งคําถามกับนั่นกับนี่เยอะที่จริงการตั้งคําถามไม่ผิดนะแต่สิ่งหนึ่งเราพลาดอย่างหนึ่งคือทำไมเราไม่ศึกษาด้วยว่าโบราณ อ, อที่ พระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์เองก็ดีท่านท่านทํากิจพวกเนี้ยมันมีเบื้องลึกคืออะไรการเรียกว่าอะไรการบรรัญญัติสิกขาบทปาฏิโมกข์สองรอยี่สิบเจ็ดข้อก็ดีหรือว่าที่นอกเหนือจากปาฏิโมกข์ที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยก็ดีเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรมันมี เหตุมีผลอย่างไรนะมันมีประโยชน์อย่างไรนะถ้าเราศึกษานะเราจะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านบรรยัสสิ่งต่างๆนี่มันเป็นไปเพื่อขัดเกลีวส่วนขัดเกลกิเลสนะขัดเกลากิเลสตนเองจริงๆนะ응แต่ก็ก็ต้องลองทางอะ่ะบางทีอ่านไปคิดเอาบางทีมันก็อาจจะมีคำถามมีความสงสัยเยอะ แต่พอมันก็ต้องลองก็เริ่มจากการศึกษานะแล้วก็ลองปฏิบัติดูมันเกิดผลอย่างไรนะมันจะเห็นเห็นด้วยตัวเองว่ามันเกิดผลอย่างไรแต่ก่อนนะผมก็เคยไปศึกษาอยู่ในสายนองปับคงอยู่บ้างนะเพราะว่าเนี่ยสนใจเรื่องข้อวัดต่างๆก็ไปตอนนั้นทกรษา ส, สองใรรษา ส, สอง ก็ไปอยู <nee> ่กับครูบาอาจารย์ท <One> ี่ก็มีมีมีชื่อเสียงมีคนเคารพพอเยอะพอสมควรในสายหนองปลาพงเลยนะก็เห็นครูก็เห็นพระนวกะด้วยกันนะท่านก็อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อย่างเราอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับอะไรก็อาจจะไม่ได้อุปถัมภ์ท่านมากในสมัยก่อนเห็นบางทีเรา รับบาทครูบาอาจารย์นะออกไปตอนก่อนมินทบาทใช่ไหมกลับมาก็รับบาทครูบาอาจารย์เสร็จเอาไปตั้งเรียบร้อยก่อนมาล้างต้องมารอตรงทางขึ้นศาลาเพื่อล้างเท้าให้กับท่านเช็ดเท้าให้กับท่านเอยน่ะใหม่ๆ น, นี่เราก็ทําแบบโหทําแบบเหมือนตัวตนตัวเองอะ่ะโอ้ทาไมเราแบบ ต้องมาคอยรับใช้อะไรขนาดนั้นเออเนะี่ยตัวตนมันแสดงออกมาเลยโอ้นี่แหละนะทิฐิแล้วก็ตัวตนมันทิฏฐิมานะตัวตนมันมันแสดงแต่พอทำครั้งที่สองที่สามเออมันก็เห็นว่าอิทิฏฐิพวกนี้มันมันอ่อนลงนะจากกิจวัตรที่แบบดูเหมือนเป็นดูเป็นเหมือนเรื่องโบราณมากเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมากแล้วเนะ่ แต่จริงเอาข้างจริงมันเป็นการเป็นการลดตัวตนของเรานะเพราะหลายท่านบางทีเราบวชเนาะก่อนบวชเราอาจจะมีความรู้ทางโลกเรียนสูงปริญญาติีโทเอกหรือบางคนอาจจะคิดว่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองโชคโชนนะทำงานมาหลากหลายประสบความสาเร็จบ้างล้มเหลวบ้างไปใช้ชีวิตน่ะใน หลายๆที่บ้างบางทีมันก็จะมีทิฏฐิมีตัวตนพวกนี้มันมันติดตัวมาเยอะข้อวัดต่างๆมันช่วยตอนนี้ได้เยอะไม่แต่โยมเองก็เหมือนกันนะโยมบางทีบางคนมองเออเราการศึกษาสูงกว่าพระเราฐานะดีเราเป็นเรามีหน้าที่การงานสูง พระบางรูปเองท่านอาจจะไม่ได้เรียนสูงหรือดูเป็นบ้านนอกอะไรนะมันมีตัวตนพวกนี้นะมันแฝงเข้ามาเยอะเราลองดูดีดเราลองทําดูนะถ้าเราลองฝึกตั้งใจจะฝึกตนจริงๆลองทําเลยอะไรที่มันรู้สึกว่าทําแล้วทําให้ทิฐิมานะตัวตนมันลดลงอะ่ะทําเถอะ อ, อ, อะไรที่เราเออ รู้สึกมันเป็นความหยิ่งในของตัวเองอทำเถอะนะอะไรที่มันเป็นอะไรที่เราถือหนักๆลองวางมันบ้างแล้วก็ลองทำมันเถอนะแต่ละคนอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับแต่ผมว่าถ้าถ้าเราตั้งใจที่จะบวชนะเพื่อปฏิบัติฝึกฝนตนก็ดีหรือว่าแม้เราไม่ได้บวชแต่เราก็ ตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะนะของพระพุทธเจ้าก็ดีนะข้อวัดต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้หรือว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านสืบทอดปฏิบัติกันเนะี่ยมันมีประโยชน์มากอยากให้เราได้ศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะมันจะเห็นเลยว่ามันช่วยช่วยทําให้เราลดทิฐิมานะตัวตนในเองได้เยอะเลยนะนี่คือทําแบบนี้จริงๆนะ แต่บางคนมันก็จะมีอีกทำแล้วก็ไปยกตนว่าตัวเองสูงกว่าคนที่ไม่ได้ทำมันก็จะต้องระวังอีกเหมือนกันนะคือเราทำเพื่อลดตัวตนลดทิฏฐิของเรานะลดมานะลงลงไปมันทำเพื่อขัดเก่าตนเองนะไม่ใช่ทำเพื่อที่จะยกตนให้ให้ตัวเองสูงกว่าคนอื่นนะ <c ười> คือไม่ใช่ทำเพื่อที่จะแบบไปตำหนิคนอื่นไปเพ่งโทษคนอื่น ไปสำคัญตนว่าตนดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าคนอื่นอันนั้นก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะหลายที่นะหลายที่บางทีหลายที่ที่เข้่งครับนะบางทีก็จะจะถือทิฏฐิเหมือนกันเวลามีอาคารตุกะต่างถิ่นที่อาจจะประพฤติไม่ค่อยเรียบร้อยบางทีก็จะเหมือนดูถูกเนะอะไรแบบนี้ก็มีนะ แต่จริงถ้าเราทำจริ ง, รงเราทําด้วยนั่นแหละด้วยความตั้งใจที่จะขัดเกลาตนเองเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากนแต่ก็อย่างว่าเราก็ต้องมีความเมตตามีความเมตามามเมตาเวลาเราทําได้แล้วเราก็ต้องค่อยๆแนะนําบอกสอนคนอื่นที่ยังอาจจะทําไม่ได้นะแนะนําด้วยความเมตตาไม่ใช่แนะนําด้วยความดูถูกอะไรแบบนี้เนาะอันนี้นถ้าเราทํา กิพวกนี้นมันจะช่วยมากพราะว่าการเดินทางเนะี่ยหนังเรามาทุด่ทดมก็ดีมันทำให้เราได้เปิดเปิดโลกกระทัดเนาะเปิดโลกกว้างในการได้เห็นเห็นสิ่งแปล ก, ป ก, ปกให ม, ใหม่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆ ท, กที่ทุกๆทางนะั่นแหละถ้าเรามีปัญญาเนะีนะ่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะบางที เราเดินท้โดง่งเนไม่ใช่เพียงแค่เราเดินนะจากจากบ้านนี้ไปสู่บ้านนั้นจากเขานี้ไปสู่เขานั้นถ้าเดินแบบแค่นั้นนะในพานเองก็ดีเขาคงเดินชํานาญกว่าเราเก่งกว่าเราหรือชาวบ้านเองเพราะก็เดินบ่อยกว่าเราแต่เราจะเดินอย่างไรให้เรามีธรรมะในการเดิน ผมว่าที่จริงในขณะที่เดินน่ยมันเป็นเหมือนภาคบังคับให้เราต้องมีความอดทนให้เราต้องมีสติให้เราต้องมีสมาธิให้เราต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันไม่ไปคิดข้างหน้าในการเดินมันเหมือนเป็นภาคบังคับนะที่ที่เราต้องฝึกจนแต่เราต้องดูเราอาจจะเดินแค่วันหนึ่งแปดเก้าชั่วโมงเลยเนาะ แต่เวลาที่เหลือนะที่เรานั่งพักหรือเราถึงที่หมายแล้วเนกนะ็จะลืมนะก็เป็นช่วงฝึกฝนตลของเราเหมือนกันนะอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเดินทุ ด, ดงไปเพื่ออะไรเพื่อไปนั่งความเพ็ียเพียนภาวนานะไปนั่งปฏิบัติธรรมหรือไปเดินจงกรมอะไรบนนีะ้นะบางทีท่านเดินเป็นหลายลูกแต่ท่านก็ เวลาพักท่านก็ไม่สุงสิงกันมากท่านก็จะอยู่กันเงียบๆเกี่ยวข้องกันเท่าที่จำเป็นมันก็จะเป็นทำให้เหมือนมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งขนาดที่เดินก็ดีแล้วก็ขนาดที่ถึงที่หมายที่พักแล้วก็ดีนะก็เป็นการทั้งปฏิบัติธรรมไปในตัวนั่นแหละคือ ที่จริงแต่จริงก็อย่างที่ว่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางเดินทุ ด, ดงนะหรือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมผมว่าเนะอย่างที่ว่าข้อวัด ต, ต่างๆ่างเราก็ต้องเราก็ทําไปด้วยไม่เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะนะกวาดลานวัดแบบเนี้ยถ้าใครสังเกตหรือกวาดไปดีๆนะแต่ก่อนอาจจะ ก, กวาดไปฟุ้งไปเมื่อไหรจะเสร็จอะไรแบบนะี้ หรือทาไมบางทีนะแต่ก่อนผมก็เป็นนะบางทีกวาดวัดเนะี่ยเออคนภาพบางรูปท่านก็ไม่ค่อยกวาดนะบางทีเราก็กวาดไปก็คิดในใจทําไมคนนั้นไม่ทํานะมือเมื่อไหร่จะเสร็จนะก็คิดในใจใจมันก็บนนะ่นแต่ก่อนใจบน่นไม่เห็นใจบน่นตอนหลังเออพอใจมันเริ่มบน่นใจเริ่มฟุ้งเราเห็นนะเออ ใจมันบน่นใจมันฟุงนะ้งเนาะเราก็อืมไอ้กายที่กวาดก็ส่วนหนึง่งใจที่บนเนะ่ยใจที่ฟุ้งเนี่ยมันก็ส่วนหนึง่งนะถ้ายิ่งบนมากยิ่งฟุ้งมากก็ยิ่งเหนื่อยนะแต่พอเห็นเออส่วนกายก็ส่วนหนึง่งกายมันกวาดไปใจมันฟุ้งขึ้นมาเออมันได้ประโยชน์นะกนะวาดวัดก็เป็นการปฏิบัติทำได้นะนะ ทำกิจต่างๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าเราทําแล้วมันจะเห็นเห็นการทํางานของกิเลสฮะเยอะขึ้นนะข้อวัดต่างๆนี่มีประโยชน์มากนะทําให้เราเห็นกิเลสเยอะขึ้นเห็นตัวตนเห็นมานะเห็นทิฏฐิอะไรต่างๆที่มันแสงมาอยู่กับเราไม่รู้กี่สิบปีนะก่อนเราบวชก่อนเราปฏิบัติธรรม หืออาจจะก่อนนานท่านตั้งแต่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติซึ่งมันติดมาเป็นในสันดานในนิสัยมาเนิ่นนานเนี่ยผมว่าการทุ ด, ดงนะก็คือการขัดเกลวการขูดเกลวตนเองนั่นแหละมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางนะเนี่ยถ้าเราเอาการขัดเกลวขูดเกลวตนเองเป็นเรียกว่าเป็นที่ตั้งทําแบบเป็นประจําทุกวันนะอ่า จะทำตลอดไปตั้งใจแบบ น, นี้ตั้งใจจะทำตลอดไปจนตายถ้าาตั้งใจแบบนี้นะชีวิตเราจะเป็นเหมือนชีวิตที่แบบเราอยู่เราทำความเพียรอยู่เสมอแล้วก็ถ้าจะว่าทุดงก็ทุดงอยู่เสมอคนอื่นเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาแต่เราจะทำเป็นะกิจของเราหรือมีโอกาสบอก สอนก็บอกไปนะตามเท่าที่ทําได้เขาไม่ทําก็เรื่องของเขาละเนีย เ, เรื่องของเราคือเราบอกเราทําให้เป็นตัวอย่างเขาไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาละอันนี้คือเป็นการวางใจน ะ, นะบางทีเราก็เราก็ทําหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็วางใจของเราให้ถูกด้วยนะแต่ก็อย่างว่าอย่าก็ต้องรู้ทันความสําคัญมั่นหมายที่มันจะยกตนขมท่านใ น, นนนะี้นะ มันก็อาจจะมีเราก็ต้องดูมัน ด, ดูให้มันทันอันนี้คือกิจที่ก็อยากจะฝากทุ ก, ท, กท่านไว้พิจารณาดูตนเองเนาะแล้วก็แล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติขัดเก้าตนเองอยู่เสมอนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อต่อการต่อการภาวนาของเรามากเนะพราะเราภาวนาถ้าเราเข้าใจแบบนี้ยมันจะเป็นการภาวนาตลอด ชีวิตเลยภาวนาไม่ใช่ว่าฉันจะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างอื่นไม่ทํำนะแต่มันไม่เห็นว่าที่จริงมันเป็นตัวตนที่แฝงว่าเออฉันไม่ทําเพราะว่าฉันเห็นมองว่างานคนนี้เป็นงานต่ําก็มนะีมีโยมหลายคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดอยากจะเก็บอารมณ์อยากจะปฏิบัติธรรมแต่ในรูปแบบอย่างเดียวไม่อยาก ช่วยงานอย่างอื่นเลยเนี่ยที่จริงเขาไม่เห็นว่ามันเป็นตัวตนตัวตนทีม่มาแล้วก็สมมติมาเจ็ดวันจะเอาให้ได้นะหรือจะทำให้มันเต็มที่นะจะทำแต่ในรูปแบบให้เต็มที่หรือบางคนยิ่งมองเลยว่างานพวกนี้เป็นงานต่ำบางคนอยู่ที่บ้านมีฐานนะเนาะมีคนรับใช้มีคนทำงานพวกนี้ให้นะมองเป็นงานใช้แรงงาน เราเองต้องเป็นงานใช้สมองถึงจะดีกว่างานใช้แรงงานแต่จริงแค่คิดแบบนี้มันเดิมละเนี่ยมาณนะตัวตนมันมแสดงอาการแล้วไม่รู้เท่าทันแล้วอยู่ที่บ้านมาแสดงอาการแบบนี้มาอยู่ที่วัดมาปฏิบัติธรรมมันก็ยังแสดงอาการแบบนี้อยู่นะไม่ทันตัวเองเนีมันก็เป็น มันก็มันก็หลอกเรานะมันก็หลอกเราเหมือนกันแต่เราเข้าใจจริงๆอ้อเออเนี่ยมันสแสดงแล้วยิ่งสแสดงแล้วยิ่งต้องทำเลยนะแต่ก่อนสุกโตอะจำได้เลยมาใหม่ใหม่เห็นที่ซ่วมตรงมใ่ใกล้โรงครัวโรงครัวแต่ก่อนมันหลังเล็กๆนยซ่วมหลังเก่ามีคนเขียนไว้ไม่รู้ใครเขียนแต่เขียนไว้บอกว่า การล้างซ่วมคือการอะไรคือการปฏิบัติธรรมในขั้นแรกเลยประมาณนี้สุดท ใ, ใ, ให้ว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมขั้นแรกเลยก็คือฝึกล้างซ่วมประมาณเนีน้คือเออมันก็บางทีก็เอามองแบบเหมือนล้อเล่นนะแต่จริงเอาฟฝ้าจริงนะเราเคยล้างซ่วมไหมเหมอยู่เนี้อืม ทวงที่คนอื่นใช้เราเคยล้างไหมหรือ เ, เรามองเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องทําำมันก็ดูถ้าเราเข้าใจจริงๆนะทุกอย่างจะเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆนแต่ถ้าเรามองไม่เข้าใจเราจะมองเป็นอันนี้เป็นเรื่องคนอื่นทําอันนี้เป็นเรื่องสูงอันนี้เป็นเรื่องต่ําอันนี้เป็นเรื่องของนั่นนี่ แต่ถ้าเราค่อยใจจริงโอ้มันจะอืถ้าเราทําเพื่อขัดเกาวันเองนะทําไปเถอะอะไรเราจะเข้าใจตนเองว่าเราทําเพื่ออะไรอืไม่ใช่ทําเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นแต่เราทําเพื่อขัดเกากิเลสในตนเองนี่แหละคนอื่นจะว่าคนอื่นจะชมก็เรื่องของเขาเนะียไม่ใช่เรื่องของเราละนักก็ ฝากไว้ไม่ได้กล่าวโทษอะไรใครนะให้แนะนําในสิ่งที่ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนาะว่าเราได้เห็นตัวอย่างจากที่นี่ก็ดีหรือว่าเคยไปเห็นที่อื่นๆก็ดีเนา ะ, นะก็เป็ น, นประโยชน์ในการเดินทางของเราแล้วก็ในการใช้ชีวิตที่เหลือของพวกเราทุกๆคนเพราะว่าหลายๆท่านก็ตั้งใจที่จะบวชนะ แต่ไม่มีกําหนดหรือญาติโยมหลายคนก็อ่มีใจใฝ่มาทางนี้มาหลายปีแล้วนะก็เราก็จะได้เดินทางตรงนี้ต่อนะเราไม่รู้วันตายนะแต่เราสามารถกําหนดเป้าหมายเราได้ ว, ว่าเราจะทําแบบเนี้ยจนตายไม่รู้จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะแต่ถ้าจิตเราตั้งใจว่าจะขัดเกลาตนเองจนตายเนี่ยผมว่าจิตเนี่ยมันจะ จะเป็นพละนะทำให้เรามีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่นะเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะตตายวันไหนนะจิตมันก็จะพร้อมจะวางนะเพราะรู้ว่าถ้ามันทำมาเต็มที่ตลอดชีวิตเนะี่ยจะตายก็ไม่เสียดายนะเหมือนอได้ทาเต็มที่แล้วนี่หรือบางทีทาเต็มที่แล้วมันยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่เป็นไรมันรู้ว่า ถ้ามันจะตายก็ต้องตายนะถ้ามันจะเกิดใหม่ก็เกิดใหม่ก็ทําเหมือนเดิมอีกนี่แหละมันก็ไม่ต้องอะไรเอาบอล น, นะแต่ถ้าคนไม่ทําเต็มที่เนี่ยจะตายก็เสียดายโอ้ขี้เกียจขี้ค้านเออเหยลอยชัยมาหลายวันหลายเดือนหลายปีเนาะพอจะตายก็เหมือนแบบไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะตายก็กลัวสิกลัวจะตกนรกบ้างกลัวจะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างกลัวจะเป็นเนี่ ตกนักํารมลำบากต่างๆบ้างตอนจะตายมันก็เลยกลัวกลัวว่าจะตายไม่ดีกลัวจะเกิดไม่ดีนะ่แะแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วนะตอนจะตายมันจะวางง่ายจะเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยละเกิดใหม่ก็ทำเหมือนเดิมเนี่แหละทำจนถึงที่สุดของมันนั่นแหละเนี่ยถ้าวางใจวันนี้ได้นะโอ้เราจะไม่รู้นะผมรู้ว่า ศา ส, สนามันก็ไม่หายไปไหนหรอกนะก็ยังอยู่ในใจดวงนี้แหละนะถ้ามันยังเปลี่ยนไหวใจเกิด อ, อยูนะ่นะก็ฝากไว้ครับนะ